ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพสุกะถูกสงฆ์ทํำประพาชนียกรรมแล้วยังไม่ประพฤติชอบศึกไปก็มีจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับบ้าจริงพระพุทธเจ้าขาพระผู้มีพระภาคพาุทธเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมคะบรุษเหล่านั้นไม่สมควรไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายฉนันโมฆะบรุษเหล่านั้นถูกสงลงปรภาชนียกรรมแล้วยังไม่ประพฤติ ช, ชอบศึกไปเสียก็มีเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้พิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้